ในชีวิตของพวกเรามีการต่อสู้กันอยู่สองชนิดด้วยกันคือการต่อสู้ภายนอกกับการต่อสู้ภายในการต่อสู้ทั้งสองชนิดนี้ ก, การต่อสู้ทั้งสองชนิดนี้ตามหลักของพระพุทธศาสนานี่ย ท่านถือการต่อสู้ภายในเป็นการต่อสู้ที่สำคัญกว่าการต่อสู้ภายนอกอเพราะการต่อสู้ภายนอกนั้นจะมีแต่ทำให้ใจว้าวุ่นขุนมัวถ้าชนะผู้อื่นก็จะทำให้ผู้อื่นเขาจองเวรจองกรรมเป็นศัตรูกับเราต่อไป ถ้าแพ้ผู้อื่นก็จะทำให้เราเสียใจคือไม่ว่าแพ้หรือชนะใจขาดทุนใจไม่สบายทั้งสองอย่างแต่การต่อสู้ภายในนี้ถ้าใจชนะฆ่าศึกศัตรูของใจใจจะสงบใจจะมีความสุขดังนั้นทางศาสนานี่ สอนให้พวกเราต่อสู้กับข้าศึกภายในข้าศึกภายในใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวคอยสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ใจให้กับใจ่ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเอาชนะ ใจข้าศึกของใจได้ใจจะสงบไปตลอดใจจะเย็นใจจะมีความสุขในการที่เราจะเอาชนะข้าศึกภายในได้เราต้องยอมแพ้ต่อข้าศึกภายนอกถ้าเราไม่ยอมแพ้ต่อข้าศึกภายนอกเราจะไม่มีความสุขจะไม่มีความสงบ เพราะถ้าเราแพ้เราก็ต อ, อาฆาตพยาบาทถ้าเขาแพ้เขาก็อาฆาตพยาบาทเราก็จะมีการจองเวรจองกรรมกันมีการต่อสู้กันไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรามาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูภายในด้วยการยอมแพ้ข้าศึกศัตรูภายนอกอ ใจของเราก็จะสงบการเอาชนะศัตรูภายในก็คือการจะชนะเอาชนะความความโลภความอยากที่จะชนะผู้อื่นนั่นเองหรือเอาชนะความโกรธที่จะไปต่อสู้กับผู้อื่นดังแค้นต่อสู้กับผู้อื่นเราต้องเอาชนะ ก้าศึกษัตรูภายในคือความอยากชนะผู้อื่นหรือความอยากรังแคลนต่อสู้กับผู้อื่นเพราะมันไม่ได้นำไปสู่ความสงบจะนำไปสู่ความทุกข์จะนำไปสู่การจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นตายจากชาตินี้ไปเจอกันชาติหน้าก็ ไปจองเวรจ อ, องกรรมกันต่อเป็นการยอมแพ้ต่อต่อข่าศึกศัตรูภายนอกนี้ในสายตาของทางโลกนี้ก็จะคิดว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอแต่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงทางจิตใจที่ไม่ต้องการที่จะสร้างเวรสร้างกรรม กับผู้ใดอีกต่อไปเพราะเป็นการกระทําที่ถูกต้องสำหรับจิตใจจิตใจจะได้หมดเวรหมดกรรมจิตใจจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไปพระพุทธเจ้าเนี่ตอนที่ทรงประสูติออกมาใหม่ๆเจ้าชายสุทโธทนะคือพระราชบิดา ก็อยากจะรู้ว่าอนาคตของลูกชายจะเป็นอะไรก็เลยเรียกโหนมาทํานายดูอนาคตโหนก็ทํานายไปในสองทางด้วยกันถ้าอยู่เป็นเกระแสก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นบาล ม, มศาสดาเป็นพระพุทธเจ้า ตัวพระพุทธเจ้าเองในที่สุดก็ทรงตัดสินใจเลือกทางแห่งความสงบทางแห่งการชนะใจฆ่าศึกศัตรูของใจคือการชนะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจึงได้เป็นพระรมมศาสดาะได้จิตใจ ท, ที่สงบสุขไปตลอดอนันตการ ถ้าทรงเลือกไปเป็นมหาจากักรพรรดิก็จะต้องทำสงครามไปจนวันตายและจะต้องก่อสร้างก่อสร้างศัตรูคู่อริไปจนวันตายเช่นเดียวกันและหลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังตามกันไปล่างแค้นต่อไปในภพต่อต่อไปอีกด้วย แต่การที่ทรงชนะข้าศึกศัตรูภายในเป็นการยุติการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีการที่จะต้องไปเผชิญกับข้าศึกศัตรูภายนอกอีกต่อไปถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่ตราบนั้นยังจะต้องมีการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูภายนอกแต่ถ้าไม่มีการกลับมาเกิดแล้ว ก็จะไม่มีการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอีกต่อไปนี่แหละเป็นสิ่งที่คนที่ไม่มีปัญญาจะไม่เข้าใจจะคิดว่าการยอมแพ้ผู้นี้เป็นความอ่อนแอเป็นการปล่อยให้ผู้อื่นเขารังแก แต่เขาไม่ได้ดูที่ภายในใจว่าเวลาเรายอมแล้วนี่ใจเราจะเย็นใจเราจะสงบใจเราจะสบายถ้าเราไม่ยอมใจเราจะร้อน <c oughs> การยอมนี้ไม่ได้เป็นการแพ้แต่เป็นการชนะชนะข้าศึกศัตรูตัวที่แท้จริงก็คือความอยาก ความอยากเอาชนะผู้อื่นความอยากจะเอาชนะสิ่งอื่นเพราะว่าต่อให้ได้ชนะผู้อื่นกี่ครั้งก็ตามความอยากชนะมันก็ยังไม่หมดมันก็จะต้องไปต่อสู้กับผู้อื่นไปเรื่อยๆชนะคนนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเจอคนนั้นก็ต้องชนะเขาอีกชนะคนนั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปชนะคนนู้นอีก มันต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแพ้เพราะอยู่ในโลกนี้มันจะชนะไปตลอดไม่ได้นร่งกายมันก็ต้องแก่ลงดูนักกีฬาตอนที่กำลังรุ่งนี้ชนะแข่งขันนี่ชนะอยู่เรื่อยๆแต่พอแข่งไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆสังขารร่างกายเริ่มเหิวลงเริ่ม แก่ลงทีนี้ก็เริ่มแพ้แล้วถูกผู้ต่อสู้ที่เขาหนุ่มกว่าสาวกว่ามีกำลังมากกว่ามาต่อสู้มาเอาชัยชนะไปในที่สุดก็ต้องเสียอกเสียใจมไม่ว่าจะชนะมากี่ครั้งก็ตา ม, มต่อให้ชนะเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งอพอมาแพ้สักครั้งเดียวก็เกิดความเสียใจขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ายอมแพ้สัอย่างแล้วสบายไม่ต้องไปต่อสู้กับใครใครอยากจะใหญ่ปล่อยเขาใหญ่ไปใครอยากจะเด่นปล่อยเขาเด่นไปมันก็เด่นไปแค่ถึงลงศพเท่านั้นแหละไม่มีใครจะเด่นไปถึงไหนกันหรอกทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเข้าโรงศพกันแต่ขณะที่อยู่นี่มันจะอยู่แบบต่อสู้ตลอดเวลาเพราะมันจะมีคู่แข่งมาแข่งค้าแข่งตลอดเวลาเวลาใครเป็นใหญ่นี่มักจะมีคนอยากจะมาล้มทั้งนั้นใครเป็นนายกเห็นไหมตอนนี้มีคู่แข่งเข้ามาจะเป็นนายกกี่คนตอนนี้เป็นยังไงต่อสู้กัน เดี๋ยวพอผลออกมาใครแพ้ก็เสียใจใครชนะก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็มีคู่แข่งใหม่มาท้าแข่งอีกมันจะแข่งกันไปอย่างนี้เรื่อยๆในโลกนี้แข่งกันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วมันก็ไปทำเวรทำกรรมกันเพราะเวลาต่อสู้กันนี่มันมักจะไม่ยอมต่อสู้ภายใต้กฎกติกาที่เขากำหนดไว้ให้ จะต้องมีการต่อยใต้เข็มขัดบ้างถ้ากรรมการเผลอมองไม่เห็นก็กชนะไปแต่ถ้ากรรมการเห็นก็อาจจะจับแพ้ก็ได้อันนี้แหละถ้าอยากมีความสุขมีความสงบภายในใจต้องเอาชนะฆ่าศึกภายในด้วยการยอมแพ้ฆ่าศึกภายนอก เพราะว่าการที่เราจะเอาค่าศึกเอาชนะค่าศึกภายในคือความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้เราต้องยอมแพ้ค่าศึกภายนอก <c oughs> เช่นเราโกรธใครนี่อยากจะฆ่าเขาอย่างนี้เราต้องยอมแพ้เขาอย่าไปฆ่าเขาให้อภัยเขาพอเราให้อภัยเขาแล้วค่าศึกตัวร้กาศภายในใจเราก็ตายไป คือความโกรธอาฆาตพยาบาทหรือความอยากอยากได้หรืออยากไม่ได้ก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะต้อง เ, อเจอกับสิ่งเหตุการณ์ที่เราอยากหรือไม่อยากก็ตามถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบเราต้องหยุดความอยากหรือไม่อยากอยากได้หรือไม่อยากได้ อยากได้เป็นนายกถ้าเราหยุดความอยากได้เป็นนายกนี้ได้เราก็สงบไม่ต้องไปวุ่นวายไปหาเสียงไปเสียเงินเสียทองให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าๆใจสงบมีความสุขกว่าการได้เป็นนายกถ้าเราไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบมาก่อนเราจะไม่รู้ถึงความ ความประเสริฐด้วยคุณค่าของความสุขที่เกิดจากความสงบว่ามันเป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงผู้ใดที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่อยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้จะไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไ ม, ม, กไม่เป็นะ ถ้ามันอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าทําอะไรไม่ได้อก็ยอมรับกับสภาพไปเอใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจอย่างมากก็แค่ตายถ้าไปต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะเจอเช่นอาจจะต้องไปติดคุกติดตาราง ถ้ามีความอยากไม่อยากจะติดคุกติดตารางมันจะทุกข์มากตั้งแต่ยังไม่ติดเพียงแต่คิดว่าอาจจะติดมันก็จะทําให้เราไม่สบายใจละแต่ถ้าเราคิดว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดว่ายอมรับกับเหตุการณ์เอาชนะความอยากที่มทไม่ความอยากที่ไม่อยากจะเจอ เหตุการณ์ที่เราไม่ปาถนาดีกว่าชนะความอยากตัวนี้ได้แล้วใจจะสงบใจจะมีความสุขจะติดคุกอย่างมีความสุขจะมองการติดคุกนี้เป็นเรื่องที่ดีไปเพราะมีบ้านฟรีอยู่อค่าน้ําค่าไฟก็ฟรีค่าอาหารก็ฟรีมียามรักษารอปภ ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีที่ไหนที่จะปลอดภัยเท่ากับอยู่ในคุกในตารางถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจก็จะสบายเพราะฉะนั้นแม้จะน่าจะถูกตัดสินบาหารชีวิตก็คิดว่ามันก็ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละ ในที่สุดมันทุกคนเราถูกตัดสินปหารชีวิตมาตั้งแต่วันเกิดแล้วแต่เราไม่รู้กันทุกคนที่มาเกิดนี่เขาได้ตัดสินประหารชีวิตตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่แล้วอต่อไปนี้คุณจะต้องถูกอ่ประหารชีวิตเวลานี้ก็แล้วแต่เขาจะกําหนดไม่มีใครรู้อาจจะตายภายในวันที่เกิดมาก็มี ตายเจ็ดวันหลังจากที่เกิดก็มีตายเจ็ดเดือนก็มีเจ็ดปีก็มีเจ็ดสิบปีก็มีในที่สุดนั้นก็ตายกันทั้งหมดนะฉะนั้นจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้มันก็เป็นเรื่องของวาระของเราที่เราไม่มีใครรู้กันว่าวาระความตายของพวกเรานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่กัน พอมาถึงก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ใช่ไหมไปถามคนที่ตายแล้วว่ามึงทำไมไม่ปฏิเสธความตายวะทำไมมึงไม่ต่อสู้กับความตายวะเพราะต่อสู้ไม่ได้ไปต่อสู้กับความตายก็ทุกข์เปล่าๆเนี่ยเนี่ยพวกเราทุกวันเนี่ยที่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะไปต่อสู้กับความตายกันถ้ายอมตายแล้วจะไม่ทุกข์ ถ้าหยุดความอยากไม่ตายได้แล้วจะไม่ทุกข์เนี่ยเนี่ยข้าศึกของเราตัวที่มาทำให้เราทุกข์นี้ไม่ใช่ความตายแต่ตัวที่แต่ตัวที่ทาให้เราทุกข์คือความอยากไม่ตาย <S <S <S ความอยากอยู่มันจึงทำให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องตายหรือเวลาที่เราคิดถึงเวลาที่เราจะต้องตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ ดนั้นให้เรามาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูภายในใจเราดีกว่ากำจัดไอความอยากและไม่อยากนี้ให้ได้ความอยากอยู่ก็ต้องกำจัดมันความอยากไม่ตายก็ต้องกำจัดมันอยู่ไปตามธรรมชาติถ้ามันอยู่ไปอยากไม่อยู่ก็ทุกข์เห็นไหมคนบางคนไม่ถูกตัดสินบาหารชีวิตแต่เสียใจ เพราะว่าสูญเสียสิ่งที่รักไปสูญเสียทรัพย์สมบัติสูญเสียคนรักไปก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายอยู่ก็กับทุกข์อยากจะตายส่วนคนที่ถูกตัดสินให้ถูกประหารชีวิตก็ทุกข์เพราะไม่อยากจะตายอีกนมันน่าจะสลับกันนะมันน่าจะเอาคนที่อยากตายไปไปตายแทนคนที่อยากอยู่นะ โลกนี้มันจะได้สบายขึ้นเยอะๆต่อไปเราต้องให้ขึ้นบัญชีเอาใครอยากตายส่งรายชื่อมาใครอยากไม่ตายส่งรายชื่อมาแล้ววันไหนที่เขามีการประหารชีวิตเราจะได้เปลี่ยนคนได้โลกจะได้มีความสุขเพราะว่าคนอยากตายก็ได้ตายคนอยากอยู่ก็ได้อยู่ แต่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนคนเรามาเปลี่ยนใจดีกว่าเปลี่ยนใจนี่ง่ายกว่ า, าถ้าถึงเวลาต้องตายก็อยากตายเสียมันจะได้มันจะได้สมใจจะได้ตะจะได้สมใจอยากมันจะไม่ทุกเวลาคนเราได้ <c oughs> <c oughs> ได้อะไรตามความอยากแล้วมันทุกข์หรือเปล่าไม่ทุกข์ใช่ไหมดังนั้นเราต้องมาคอยหัดเปลี่ยนใจกัน ถึงเวลาอยู่ก็อยากไปอยากตายถึงเวลาอยากเวลาอยู่ก็ต้องอยากอยู่เราจะสมใจอ่ะถึงเวลาตายก็ต้องยอมต้องอยากตายถ้าอยากตายแล้วได้ตายก็สมใจอยาก็จะไม่ทุกข์นี่คือข้าศึกษัตรูของเราที่แท้จริงตัวที่ทำให้เราทุกข์นี่ไม่ใช่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ ไปทำสงครามกับเขาก็ไม่ได้ทำให้ใจเราหายทุกข์ชนะเขาแล้วก็อยากจะชนะเขาไปเรื่อยๆก็ต้องคอยวิตกกังวลว่าเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่อยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะสร้างเวรสร้างกรรมสร้างศัตรูกันอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะอยู่อย่างสันติสุข อยู่อย่างสงบสุขเราต้องมาเอาชนะข้าศึกศัตรูภายในเอาชนะกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชนะผู้อื่นเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งก็สู้ชนะตนเพียงครั้งเดียวไม่ได้ะชนะผู้อื่นแสนครั้งล้านครั้งมันใจมันก็ยังไม่สงบใจมันก็ยังมีความอยากไม่อยากอยู่นั่นแต่ถ้าชนะความอยากแล้ว จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจจะไม่วุ่นวายอีกต่อไปตัวที่สร้างความวุ่นวายให้กับใจสร้างความทุกข์ความกังวลใจให้กับใจก็คือความอยากหรือไม่อยากนั่นเอง <c oughs> ความอยากอยู่ก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากไม่อยู่ความอยากความอยากไม่ตายก็เรียกว่าวิภาวะตัณหา ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้อยู่มันจะทำให้เราทุกข์ก็ <c oughs> คิดดูแต่สิ่งเดียวกันเนี่ยคนสองคนคนหนึ่งทุกข์กับคนหนึ่งสุข <c oughs> คนอยากตายถ้าได้ตายเขาก็สุข <c oughs> คนอยากไม่ตายเพราะต้องตายเขาก็ทุกข์มันคนหนึ่งทำไมสุขทำไมคนหนึ่งถึงทุกข์มันเรื่องเดียวกันได้ตายเหมือนกัน คนที่ได้ตายผู้อยากตายเขาก็มีความสุขเพราะเขาได้เขาได้ดังใจหมายคนที่ได้ในสิ่งที่ก็ไม่อยากได้เขาก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราสลับเปลี่ยนใจได้เอาเมื่อเราต้องอยู่ก็ให้อยากอยู่ไปแล้วก็จะไม่ทุกข์ถ้าต้องตายก็อยากตายไปแล้วก็จะไม่ทุกข์คือยอมตายนั่นเองคำ ว, ว่าอยากตายก็คือยอมตาย ถ้าต้องอยู่ก็ยอมอยู่ถ้าต้องติดคุกก็ยอมติดคุกนะนะก็จะสบายไม่มีความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คุกหรืออยู่ที่นอกคุกคนอยู่นอกคุกก็ทุกข์เยอะแยะนะคนที่ยังไม่ทันติดคุกเนี่ยเพียงแต่คิดว่าจะต้องติดคุกก็ทุกข์ไปก่อนที่จะไปติดคุกนะแล้วลพอไปติดคุกมันก็หายทุกข์เพราะมันเพราะว่ามันต้องทาใจต้องอยู่ในคุกนะ มันก็เลยไม่ทุกข์พอก็ไมไในคุกแล้วหายหายทุกข์แต่เวลาอยู่นอกคุกนี่มันทุกข์มากกว่าตอนที่อยู่ในคุกทุกข์เพราะว่าไม่อยากติดคุกนั่นเองแต่พอมันติดคุกแล้วมันก็ต้องจำใจทำใจยอมยอมติดพอมันยอมติดมันก็หายทุกข์อันนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ทุกคนติดคุกนะแต่หมายความว่าถ้าต้องติด ก็ต้องติดแบบไม่ทุกข์ดีกว่าทุกข์ก็คือต้องยอมยอมติดยอมหยุดเย็นยอมหยุดเย็นยอมหยุดต่อสู้แล้วใจก็จะเย็นถ้าต่อสู้ไม่ยอมติดหทนเนี่ยหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยกี่ปีมาแล้วมันก็ยังมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นนะยังกลับบ้านไม่ได้สักที อยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้ายอมติดคุกป่านนี้ออกมานานแล้วดีไม่ดีติดแค่สามเดือนหกเดือนเขาก็ปล่อยออกมาแล้วนี่ไม่ยอมติดเห็น ไ, ไหมถ้ายอมติดสุกอย่างเดียวๆนั่นเองทำความดีหน่อยเพื่อนฝูงเยอะแยะเดี๋ยวเพื่อนฝูงเป็นนายกพี่น้องเป็นนายกก็ขอพระราชาอภัยโทษได้ ติดเดียวเดียวตอนนี้ก็จะมาเป็นนายกใหม่ก็ได้นี่ไม่ยอมติดใช่ไหมัน ไ, ไม่ยอมติดก็ต้องพเนจรไปเรื่อยๆเล่นอนไปเรื่อยๆนี่ดูตัวอย่างการยอมกับการไม่ยอมอย่างไหนจะดีกว่ากันยอมแล้วใจเราเย็นใจเราสงบพยายามนึกถึงสูตรสามย่อไว้ถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุข ยอมหยุดเย็นยอมกับเหตุการณ์ที่เราทําอะไรไม่ได้ถ้ายังทําได้ก็ให้ทําไม่ใช่ให้ยอมแบบทุกอย่างถ้าชีวิตเรายังต่อสู้ยังต้องต่อสู้ได้ฝันฝ่าอุปสรรคได้ก็ฝันฝ่าไปถ้าฝันฝ่าไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมอยู่กับสภาพของเราไปถ้าเรายอมแล้วเราจะได้หยุดต่อสู้ เมื่อเราไม่มีการต่อสู้ใจก็จะสงบเย็นสบายถ้าตาบใดยังมีการต่อสู้อยู่ไม่มีวันสงบนะเนี <c> ่ย <oughs> สู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวใครเดี๋ยวคราวนี้ใครเป็นนายกเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาท้าชิงอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันไปเรื่อยๆนยจนตายจากกันไปนอดีตนายกนี้สบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องต่อสู้กับใครแล้ว พวกที่ตายไปแล้วนี่สบายพวกที่ยังอยู่นี่พวกที่ยังอยากเป็นนายกนี่ก็ยังต้องสู้กันต่อไปอีแล้วมันได้อะไรตายไปเอาอะไรไปได้ไมไ่เอาไปได้แม้แต่บาทเดียวก้าวของเงินทองเหรียญตราอะไรต่างๆเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆไม่มีใครเอาไปได้เลยไม่มอง ไม่มองความตายกันบ้างอยู่กันแบบวุ่นวายใจทำไมทำไมไม่อยู่กันแบบสงบพวกเราทุกคนนี้อยู่กันแบบสงบได้ถ้าเราอยู่แบบสามยอเป็นเราอยู่แบบสามยอไม่เป็นเราอยู่แบบสามมอไม่ยอมไม่อยุดไม่เย็นมันก็เลยทุกข์กัน ยอมหยุดเย็นดีกว่าไม่ยอมไม่หยุดไม่เย็นเนี่ยการต่อสู้กันมันยังทําให้เราไม่ยอมกันไม่หยุดต่อสู้กันเราก็เลยไม่เย็นกันฮะมีแต่ความร้อนกันไม่ถามพวกเลือกตั้งดูเนี่ยตอนนี้มีใครใจเย็นไหมไม่มีใครใจเย็นอ่ร้อนกันเป็นไฟนะร้อนกับเรื่องนั้นร้อนกับเรื่องนี้วุ่นวายกัน ก่อนก่อมีเลิกก่ อ, อนที่จะมีเลือกตั้งสงบไหมสงบนะพอเริ่มีเลือกตั้งเหมือนกับการปล่อยม้าออกจากอออกจากที่วิ่งะทีนี้มันก็วิ่งกันละตัวไหนไปถึงชยัยตัวนั้นก็ดีใจไอตัวที่ไปไม่ถึงก็เสียใจได้ตัวเดียวชนะตัวเดียว ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าชนะตัวเดียวแต่มันก็มีเป็นร้อยที่อยากจะเอาชนะมันยอมเสียใจกันยอมทุกข์ใจกันเพื่อที่จะได้ชนะแต่มันมีตัวชนะตัวเดียวเท่านั้นเองไปเหนื่อยกับการต่อสู้แบบนี้ทาไมไม่ใช่ว่าเป็นนายกแล้วจะหมดการต่อสู้นะก็ต้องไปต่อสู้กันต่อเองเขาก็จะต้องคอย หาข้อบกพ้่องข้อตำหนิข้ออะไรต่างๆถ้าเราพังเราเผลอเราพลาดเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นเหมือนกันเห็นไหมหนายกบางคนยังไม่ทันหมดวาระก็ถูกเขาจับออกไปก็มีเห็นไหมต้องหนีออกนอกประเทศไปก็มี <laughs> ไม่เป็นทำไม เขาใจ ไ, ไม่ยอมเราไม่ยอมทำต่อเราไม่ยอมทำสงครามกับข้าศึกศัตรูของเราข้าศึกศัตรูของเราตัวที่แท้จริงก็คือความอยากต่างๆของเรานี่เองความอยากสามตัวนี่แหละกามมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัวสามตัวนี่แหละถ้าปราบมันได้เมื่อไหร่แล้วสงครามภายในจะดับจะสงบ ดูใจของพระเจ้าดูใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจท่านสงบไม่มีการต่อสู้ไม่มีการต่อสู้กับความอยากไม่มีกามาตัณหาให้ต่อสู้ไม่มีภวะตัณหาให้ต่อสู้ไม่มีวิภาวะตัณหาให้ต่อสู้ก็เลยอยู่อย่างสงบอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุข ถ้าเรามีการมาตัณหานี้อยู่ไม่ติดบ้านละ่ะต้องออกเที่ยวละ่ะถ้าไม่ได้เที่ยวอยู่บ้านก็เศร้าเศร้าซ้อยหงอยเหงา ว, าว้าวเหว่ล่ะพอได้ไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมามันก็หายไปหมดความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวพอกลับมาอยู่บ้านได้มมเกี่วันก็เหงาอีกละ่ะ พออยากจะออกเที่ยวเองน ะ, ะนั้นมากำจัดความอยากเที่ยวดีกว่าถ้ากำจัดกาม m ตัณหาได้มันจะไม่มีอะไรมาดึงให้เราอยากจะออกไปข้างนอกบ้านอยู่ที่ไหนมันสบายก็อยู่ในบ้านไม่มีหรอกที่บ้านเราเนี้ยสบายที่สุดแสน จ, จะสบายถ้าไม่สบายเราไม่กลับบ้านกันหรอกใช่ไหมเราก็ต้องทิ้งบ้านไปเลย ไปเที่ยวที่ไหนสนุกแค่ไหนดีแค่ไหนก็สู้บ้านไม่ได้อยู่ดีพอเงินบทอยู่ที่บ้านนะปลอดภัยไม่ต้องใช้เงินเนี่ยทำไมไม่อยู่ติดบ้านางนี้ยบ้านเราดีแสนดีเพราะเราแพ้กิเลสของเราแพ้ความอยากของเราความอยากมันจะหลอกให้เราออกไปนอกบ้านดีกว่าพอออกไปจริงๆแล้วก็ลูกนี้ไม่ออกมาดีกว่า ออกมาก็ติดรถ ล, ดล้วติดนู่นติดนี่จะทำอะไรก็ลําบากต้องแก่งแย่งกันอยู่บ้านแสงจะสบายอยู่ไม่ติดอยู่ไม่ได้เพราะว่าความอยากสู้ความอยากไม่ได้สู้ความอยา ก, วายากพวกที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องออกไปเลือกตั้งก็เหมือนกันสู้ความอยากมีอยากเป็นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่กามตันหาอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหา อยากมีอยากเป็นนะก็ <c oughs> เลยต้องไปออกไปหาเสียงออกไปทำอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากเป็นอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็หมดไปเห็นไม่มีใครเป็นนายกไปได้ตลอดไม่มีหรอกเป็นได้เดี๋ยวเดียวเดียวก็หมดเดี๋ยวก็ต้องเลือกกันใหม่เดี๋ยวก็ต้องหาเสียงกันใหม่ เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจแต่ไม่เข็ดไม่จำนะพอมีการเลือกตั้งใหม่ทีไรก็กลับมาเหมือนเดิมรถของมันรู้สึกหอมหวนนึกกันรถของการเป็นนายกเป็นสอสอนี่มันหอมหวนมันทาไมมันเงินเดือนมันก็ไม่กี่ตังนะทำไมมันถึงอยากจะเป็นกันนะ หรือว่ามันมีเงินเดือนที่มองไม่เห็นเงินเดือนที่เห็นก็ไม่กี่ตังเงินเดือนนายกนี่บางทีสู้เงินเดือนของผู้จัดการบริษัทก็ไม่ได้ผู้จัดการบริษัทนี้บางทีเงินเดือนยังมากกว่านายกแต่ทำไมถึงอยากจะเป็นนายกกันแล้วกันมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีตัวอานาจตัวอานาจ ชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกนะตอนนั้นมันหอมหวนแต่ชี้ได้เพียงเฉพาะช่วงที่เป็นนายกพอไม่เป็นแล้วชี้ไปไงก็ไม่เป็นชี้ฟ้าก็ไม่เป็นฟ้าชี้นกก็ไม่เป็นนกเพราะไม่มีใครจะมาตอบสนองการชี้ของเราแล้วไปเป็นทำไมนี่คือ การที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้ก็เพราะเราไม่เข้ามาต่อสู้กับข้าศึกที่มาคอยสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆนั่นเองคือความอยากทั้งสามนี่กามะตนหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น พวกที่อยากไม่แก่เนี่ยก็วิภาวะวัฒนหาต้องคอยหนีความแก่อยู่เลยต้องคอยไปย้อมผมอยู่เลยต้องไปคอยดึงหนังแต่งแต่งหนังแต่งอะไรอยู่เลยพวกที่กลัวความเจ็บก็พยายามไปหาวิธีทาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยวิธีต่างๆ กินอาหารอย่างนั้นกินอาหารอย่างนี้ออกกำลังอย่างนู้นออกกำลังอย่างนี้แล้วมันทำให้ไม่เจ็บใค้ได้ป่วยได้เปล่าเดี๋ยวมันก็เจ็บอยู่ดีไม่มีใครหนีความเจ็บไปได้หรอกโรคภัยใค่เจ็บมันเดี๋ยวมันก็ต้องมาทุกคนสู้อยู่แบบยอมดีกว่ายอมหยุดเย็นดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดูแลสุขภาพ กห้ดูแลแบบสบายสบายอย่าไปเครียดกับมันอย่าต้องไปดูแลแบบสุดๆแบบต้องออกกำลังตายแบบสุดๆต้องกินอาหารสุขภาพแบบสุดๆนี้ก็กินตามมีตามเกิดไปออกกำลังกายตามมีตามเกิดไปมันก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บช้าเจ็บเร็วเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไป พวกที่หนีความตายงงก็เหมือนกันหนียังไงก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องตายกันทุกคนนั้น <c oughs> <c oughs> มากำจัดไอ้ความอยากไม่อยากกับสิ่งเหล่านี้ดีกว่ากำจัดกามตัณหากำจัด <c oughs> <c oughs> ภาวะตัณหากำจัดความวิภาวะตัณหาอยู่แบบปกติอยู่แบบ อยู่แบบธรรมดาอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสำหรับร่างกายนี้ท่านอยู่แบบธรรมดาแบบสุดๆเนี่ยอยู่แบบขอทานเนี่ยดีที่สุดสบายที่สุดยินดีตามมีตามเกิดอาหารก็อย่าไปจู้จี้จุกจิกมีอะไรก็กินมันไปอาหารมันก็กินเพื่อเป็นยาอย่าไปกินเพื่อให้ถูกกิเลสถูกใจ พรถ้าถูกกิเลสถูกใจแล้วอาหารกี่ชนิดก็ไม่มีวันถูกถูกกิเลสถูกใจถูกก็ถูกเดี๋ยวเดียวพอให้กินซ้ําๆซากซากสากักพักก็เบื่อแล้ว่ะกิเลสมันไม่ชอบของซ้ำซากมันชอบของแปลกแปกใหม่ๆอยู่เรื่อยพอต้องกินอาหารซ้ำซากถึงแม้จะชอบมากน้อยเพียงไรก็ตามพอกินซ้ำซากกันไปเดี๋ยวมันก็เบื่อ งั้นอย่าไปอย่าไปกินแบบนี้อย่าไปกินด้วยความอยากกินเพราะเวลากินด้วยความอยากมันจะทำให้วุ่นวายใจบางทีต้องขับรถไปเป็นร้อยกิโลเพื่อที่จะไปกินอาหารที่ถูกปากถูกใจวิธีที่จะทำให้กินอาหารแบบง่ายๆก็หัดกินมื้อเดียวดูเลยถ้ากินมื้อเดียวแล้วพอถึงเวลากินนี้อะไรน่ากินไปหมด เพราะมันหิวถ้ากินวันละสามสี่มื้อนี่มันไม่หิวอ่ะมันกินตามความอยากมันก็เลยไม่อยากกินใจอยากกินแต่อีกใจมันก็ไม่อยากกินเพราะมันไม่หิวร่างกายมันไม่หิวแต่ใจมันอยากกินก็เลยต้องขวนขวายหาอาหารที่ล่อใจถึงจะกินได้ <c oughs> ก็เลยต้องคอยเปลี่ยนอาหารอยู่เรื่อยๆ เ, เปลี่ยนที่กินอยู่เรื่อยๆ กินร้านนี้เบื่อแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนร้านอื่นไปเปิดดู y o u t u ูบบ้างไปเปิดดูเชลชวนชิมบ้างแม่ช้อยนางลำบ้างเขาวนี้ น, นำที่ไหนน้ากินเอาไปขับดใส่กัน <c oughs> ความสุขแค่ปลายลิ้นเท่านั้นเองพอเข้าไปในท้องแล้วมันก็หมดแล้ว กินแบบอ ร, อร่อยๆหัดลองกินมื้อเดียวดูสิข้าวเปล่าคุกน้ําปลาก็อร่อยเวลาหิวๆไม่เชื่อลองทําดูถ้ากินมันละมือ้อมันยังไม่หิวก็ลองอดกินสักสองวันสามวันแล้วลองมากินดูทีนี้ข้าวเปล่าก็อร่อยเวลาร่างกายมันต้องการอาหารนะทีนี้อะไรมันมันดูดหมดมันเห็นอะไรมันดูดหมดแต่ถ้าเวลามันอิ่มเนี่ยมันไม่ดูด มันเห็นอะไรแล้วมันรู้สึกจืดชืดไปลองสังเกตเยตอนที่เราเริ่มกินอาหารใหม่ๆนี่โอ้เห็นอะไรน่ากินไปหมดเลยพอกินอิ่มแล้วที่มองไปใหม่เห็นอะไรไม่น่ากินเลยไม่อยากกินละเพราะท้องมันอิ่มละมันพอละ <c oughs> <c oughs> พยายามหัดอยู่แบบมากน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าสอนเป็นวิธีที่จะต่อสู้กับความอยาก กับกิเลสได้ในระดับหนึ่งคือเอาเท่าที่จำเป็นอย่าเอาตามความอยากร่างกายต้องการอาหารเท่านี้ก็ให้มันกินเท่านี้ก็พออย่าไปกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการจะกินเพราะว่าถ้ากินตามความอยากแล้วมันจะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มกินเสร็จเดียวๆก็อยากกินอีกลวแล้วมันจะทำให้ร่างกายเสียศูนย์ได้เสีย เสียดุลได้เสียหุ่นได้จากร่างกายที่เป็นขวดก็จะกลายเป็นน่างกายที่เป็นตุ่มไปไม่มีไม่มีซากของของขวดเหลืออยู่เลยรู้จักขวดั้มรูปร่างนะรูปร่างของร่างกายนะถ้ากินไม่มากมันจะเป็นมีสวดทรงเหมือนกับขวดนะแต่ถ้ามันกินมากๆสวดทรงมันจะกลายเป็นตุ่มไป แล้วมันจะไม่มีใครเขาจะจะชมว่าสวยว่างามนะกินพอประมาณกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินกินตามความจำเป็นกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอถ้าเราหาักกินน้อยๆต่อไปมันจะไม่กินมากมันมันจะอิ่มมันเคยอิ่มแค่หนึ่งจานมันก็จะอิ่มแค่หนึ่งจาน ถ้าใครอิ่มแค่อิ่มสามจานมันก็ต้องกินสามจานมันถึงจะอิ่มนะมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ผลลัพธ์นี่ต่างกันคนที่กินน้อยไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นคนที่กินมากนี่ต้องไปแย่งกับคนอื่นแล้วก็ต้องหาอะไรมากินอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะมันกินตามด้วยความอยากนี่กินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอ มันจะไม่มีความสุขสุขเดียวเดียวสุขตอนอิ่มพอตอนอยากกินขึ้นมาก็ทุกข์อ <c oughs> ีกแล้วความอยากนี่มันเป็นตัวอันตรายพยายามใช้ความมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือเอาน้อยๆยเอาเท่าที่จำเป็นสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้จะน้อยกว่า ความจำเป็นถ้าได้เท่านั้นก็ขอให้ยินดีไปอย่าอย่าไปอยากให้มันได้มากไปกว่านั้นเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ใจถ้ามีเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันจะมีความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสันโดษนี่มันจะคุมความอยากไว้ได้ยินดีตามมีความเกิดได้อะไรก็เอาอย่างนั้นไม่ต้องไปดิน้นหลนต่อสู้ไม่ต้องไปวิ่งหนีมัน เมื่อจะต้องเจอมันก็เอาเจอมันไปเจอด้วยสันโดษแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่วุ่นวายใจจะสงบเพราะสันโดสนี้จะกำจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็คือความอยากนั่นเองถ้ามีความอยากแล้วถึงแม้จะได้สิ่งที่อยากได้มามันก็ไม่พอใจเพราะมันอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่มันได้มา ได้คืบมันก็อยากจะได้สอกนะได้สอกมันก็อยากจะได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้ได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านะมันอยากไปเรื่อยๆทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรเสียด้ยซ้ำไปเงินทองนี่ความจริงมันมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายล้วเท่านั้นนะที่เป็นสิ่งที่จาเป็น่าต้อง มีที่ยังต้องเลี้ยงดูเลี้ยงดูก็คือร่างกายนะ้นงเงินหมื่นล้านแสนล้านมันการเลี้ยงร่างกายแค่นี้มันจะไม่พอเลยมันไม่พอถ้ามีความอยากถ้าใช้ตามเหตุผลตามความจำเป็นของร่างกายวันละสามร้อยมันก็พอแล้วะข้าแรงขั้นต่ําเลยนะทําไมเวลาค คนงานคนที่มาทํางานกับเรานี้จ่ายให้มันน้อยด้วยกันแต่เวลาจ่ายเงินเดือนให้เราทําไมจ่ายเยอะแล้วกันทําไมเงินเดือนของเราแสนหนึ่งก็ไม่พอล้านหนึ่งก็ไม่พอสิบล้านก็ไม่พอแต่ทําไมเวลาจ่ายเงินเดือนให้คนงานของเราสามร้อยก็พอแล้วโดยเอาอะไรมากมายนะนี่คือกิเลสตัณหาความไม่ยุติธรรมมันอยู่ที่กิเลสตัณหา เวลาอะไรให้กับตัวเองนี้น้อยๆไม่พอเวลาให้กับคนอื่นให้เขาน้อยๆกับหาว่าให้มากไปเสียแล้วสาม้อยนี่ก็มากไปแล้วเนี่ยเหลือกินเหลือใช้แล้วแต่เรานี่สามแสนก็ยังไม่พ อ, อเดือนไม่พอใช้เพราะพอมีเงินเยอะของซื้อมันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆ ของอย่างเดียวกันนะแต่มันเปลี่ยนราคาใ <c ười> ครขับรถราคาแสนพอมีเงินเดือนราคาร้านก็ลดราคาแสนขับไม่ได้แล้วต้องขับรถราคาล้านขึ้นไปนะมันก็ลดเหมือนกันสา ม, ามัยมีละมีเงินเดือนเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ได้พอมีเงินเดือนแสนนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล้ต้องขี่รถเก๋งละ พอมีเง mm ินเดือนล้านนี่กีดรถเก๋งราคาแสนไม่ได้แล้ต้องกีดรถเก๋งราคาล้านมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่พอใช้อยู่ดีเงินก็ไม่พอใช้อยู่ดีมีเงินหมื่นก็ไม่พอใช้คนมีเงินอื่นก็ไม่พอใช้คนมีเงินแสนก็ไม่พอใช้คนมีเงินล้านก็ไม่พอใช้ก็เพราะว่าไปทําตามกิเลสทาตามความอยากเนาะ มีเท่าไหร่ก็ไม่มีคาว่าพอคาว่าพอมันต้องอยู่ที่คาว่ามากน้อยสันโดษนะมากน้อยสันโดษมันจะกำหนดความว่าพอมากน้อยเช่นเสื้อผ้าอย่างนี้เอากี่ชุดสำหรับพระนี่พระเจ้าบอกเอาชุดเดียวก็พอพระไต่หนึ่งชุดก็พอแล้วเนี่ยมากน้อยอยู่ได้ไม่ขาดแคลนไปไหนก็มีเครื่องนุ่งห่มสวมใส่ เสื้อผ้ามีไว้สําหรับหุห้มห่อร่างกายเป็นเครื่องนุ่มห่มไม่ใช่เป็นเครื่องประดับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนชุดนั่นเปลี่ยนชุดนี้บางคนวันหนึ่งนี้เปลี่ยนหลายชุดแล้วกันตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ชุดนอนถ้ายังไม่ออกจากบ้านก็ชุดใส่อยู่ในบ้านก่อนแล้เดี๋ยวพอออกจากบ้านก็ต้องใส่ใสชุดออกนอกบ้านอีกน แล้วเดี๋ยวเกิดต้องไปงานกีก็ต้องกลับมาเปลี่ยนชุดอีกวันนึงอาจจะใส่ต้องสี่ห้าชุดพานีไปได้ทุกงานชุดเดียวงานศพก็ไปชุดนี้งานบุญงานมันเกิดก็ไปชุดนี้งานแต่งงานก็ไปชุดนี้ไปได้หมดทุกชุดชุดเดียวไปทุกงานได้หมดอยู่แบบอย่างนี้สบาย ให้เรามีเหตุมีผลในการ <c oughs> บริโภคของต่างๆบริโภคตามความจำเป็นใช้ตามความจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้มันอย่าไปมีมันแล้วความอยากมันจะ <c oughs> จะถูกกำจัดถ้าไม่งั้นเสื้อผ้านี่เต็มบ้านก็ยังไม่พอเก็บนะมีบ้านทั้งบ้านนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมด ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอออกไปข้างนอกทีไรเห็นเสื้อผ้าเขาแขวนอยู่ในร้านก็อยากซื้อขึ้นมาทันทีซื้อมาเพื่อมาแขวนไว้ที่บ้านเสียเงินไปเ ป, ปล่าๆเรามาเป็นภาระต้องคอยหาที่เก็บหาที่ดูแลรักษาจะไปไหนก็ไม่กล้าไปกลัวขโมยจะขึ้นบ้านนี่กลายเป็นปูโสมเป้าทรัพย์ไป อยู่ยังไม่มีความสุขเพราะความอยากนี่แหละงั้นเราต้องลองใช้มักน้อยดูดูซิว่าเสื้อผ้าที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆนี่กี่ตัวเราก็ใช้เหมันเท่านั้นก็พออย่างพวกที่ถือสินแปนี่ก็มีชุดขาวชุดเดียวไปได้ทุกแห่งทุกคนชุดขาวมีสามชุดก็พอ ชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อวันไหนฝนตกซักไม่ทันก็มีชุดสำรองสามชุดก็พอแล้วเสื้อผ้าความจริงร่างกายมีร่างเดียวไม่ใช่มีร้อยร่างถึงต้องมีเสื้อผ้าร้อยชุดใช่ไหมเวลาเวลาใส่ก็ใส่ชุดเดียวนั่นเองเพราะเรามีร่างกายเพียงร่างเดียวแต่ทำไมเราต้องมีเสื้อผ้าเป็นร้อยชุด เพราะความอยากถ้าไม่อยากแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายไปกับการหาเงินหาทอง <c oughs> มาใช้ตามความอยากต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการไปทาบาปเพราะถ้าใช้มากก็ต้องหามากแล้วถ้าหาไม่ได้มากเท่าที่ใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ้องไปทำบาปวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อที่จะได้รายได้มาเพิ่มกับรายจ่ายที่ใช้อยู่แทนที่จะลดรายจ่ายกลับไปเพิ่มรายได้พอไปเพิ่มรายได้รายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นไปเองมันหนีเราอกีกพอมีรายรายรับมากมันก็จะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราลดรายจ่ายคุมรายจ่ายไว้ให้มีอยู่ในกรอบของมากน้อยสันโดษได้ มันจะมีรายได้มากเท่าไหร่มันก็จะไม่ไม่ขึ้นรายจ่ายมันก็จะไม่ขึ้นรายจ่ายมันก็จะเท่าเดิมแล้วเราก็จะมีเงินเก็บเงินเหลือเยอะแยะกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวคนที่ก็เป็นเศรษฐีกันเขาเป็นเพราะอะไรเพราะเขาใช้น้อยใช้น้อยกว่าที่เขาหาได้นั่นเองคนที่เป็นคนจนจนเพราะอะไรเพราะใช้มากกว่าที่เขาหาได้ มันง่ายๆแค่นี้เองหลักของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์มีแค่นี้รวยจนอยู่ที่รายรับกับรายจ่ายนี่เองใช่ไหมถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็ไม่มีวันรวยถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็รวยเพราะจะมีเหลือเงินที่เหลือก็ทําให้เรารวยเงินที่ขาดทําให้เราเป็นหนี้เราก็จนง่ายๆแค่นี้คิดไม่เป็นกัน แล้วก็มาขอให้พระแก้ปัญหาให้ขอสิขอให้พรให้ศีลให้พรขอให้ร่ำขอให้รวยกันรวยเท่าไหร่มันก็จนอยู่นั่นแนะ่ะถ้าปราบใดถ้าใช้มากกว่าหามาได้แต่ถ้าใช้น้อยกว่าหามาได้ไม่ต้องมาขอพระมันก็รวยพวกมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่มาหาพระกันนะเพราะเขาไม่ต้องมาขอพอรจากพระเพราะเขารู้จักวิธีทำให้เขารวย เขารวยเพราะเขาไม่ใช้มากกว่าที่เขาหามาได้แค่นี้เองเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขอันนี้ก็เป็นการชนะใจเหมือนกันการเป็นการเป็นเศรษฐีก็เป็นการชนะใจชนะความอยากใช้เงินแล้วก็ชนะความขี้เกียจที่จะหาเงินให้ขยันหาเงินแล้วขี้เกียจใช้เงินแล้วรับรองได้ก็เป็นเศรษฐีได้ ปันหาของพวกเราทั้งหมดมันตกมันลงมาที่ความอยากนี่อน่างเราต้องเข้ามาคอยควบคุมความอยากให้ได้ถ้าควบคุมได้แล้วใจเราจะมีความสุขมีความสงบเราจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงถึงแม้จะไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแต่กับรวยกว่าเศรษฐีที่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านรวยตรงไหนรวยตรงที่คำว่าพอเนี่ย คนที่พอนี่แหละเรียกว่ารวยถ้ายังไม่รวยนี่ถ้ายังไม่พอนี่ไม่ถือว่ารวยใช่ไหมไม่พอก็แสดงว่ายังไม่รวยยังอยากได้อีกแต่คนที่พอแล้วนี่แสดงว่ารวยแล้วไม่อยากได้อีกแล้วพอแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นเศรษฐีที่แท้จริงเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงเพราะไม่มีคำว่าอยากอยากได้ พอแล้วมีแต่คําว่าพอใจจะพอได้ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามให้ได้การจะหยุดความอยากทั้งสามนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ทำได้กันทุกคนอยู่ที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำท่นเองส่วนใหญ่ที่ทำไม่ได้เพราะไม่อยากจะทำกันเพราะไม่อยากจะหยุดความอยากกันยังอยากทำยังอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มยังอยากเล่นอยู่ ยังอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยู่ยังอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่อยู่มันก็เลยทำให้หยุดมันไม่ได้แต่ถ้ามามองว่าถ้าเราทำตามความอยากแล้วมันให้ความสุขหรือความทุกข์กับเรากันแน่ถ้าเรามองแล้วเราจะเห็นด้วยปัญญาว่ามันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมากมากน้อยเพียงไรก็ตาม ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหมดไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากมันไป <c oughs> เวลาจากกันมันก็จะทําให้เราทุกข์กันเมื่อจากตอนเป็นก็จากตอนตายเราอยากจะทุกข์กันหรือไม่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมีดีกว่าอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากได้อะไรอยู่แบบไม่มีก็ได้ พวเราไม่รู้ว่าการอยู่แบบไม่มีนี่ดีกว่าการอยู่แบบมีเพราะอยู่แบบมีแล้วมันต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีนั่นเองถ้าอยู่แบบไม่มีได้มันจะไม่มีอะไรให้เราทุกข์ด้วยถ้ามีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติถ้ามีครอบครัวก็ต้องทุกข์กับครอบครัวมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันเพราะว่ามัน ไม่เป็นสิ่งที่เราลากเราหวงแล้วเราก็กังวลเวลาที่เราคิดว่าเขาอาจจะจากเราไปหรือเสียไปหรือเปลี่ยนไปหรือไม่เป็นไปตามที่เราอยากแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์นั้นเราลองมาหัดอยู่แบบไม่มีดีกว่าการอยู่หัดแบบอยู่แบบไม่มีได้ก็ต้อง หัดมาทํามาหัดทําใจให้สงบพได้มาฝึกนั่งสมาธิกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ความอยากจะหายไปแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอขึ้นมาภายในใจจะไม่มีความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องการที่จะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่อยู่เฉยๆก็มีความสุข นี่แหละเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับเราวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดไปต้องต้องทำด้วยการฆ่าฆ่าศึกษัตรูภายในใจของเราคือความอยากความโลภความอยากกิเลสตัณหาด้วยการมาทำใจให้สงบ ด้วยการมาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการทําสงครามต่อสู้กับข้าศึกศัตรูภายในอันนี้แหละเป็นสงครามที่แท้จริงเป็นสงครามที่จะตัดสินว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์กันถ้าเราชนะกิเลสตัณหาได้เราก็จะสุขไปตลอดถ้าเราสู้กิเลสตัณหาไม่ได้เราก็จะทุกข์ไปตลอดอย่างที่เราทุกข์กันมาตลอดนี่ เพราะว่าเราไม่ได้เราสู้ข้าศึกศัตรูของเราไม่ได้เราสู้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไม่ได้เราก็เลยทุ ก, กันอยู่ทุกทุกวันนี้เราจะทุ ก, กันอีกต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่เอาชนะความโลภความอยากถ้าเราไม่เอาชนะกิเลสตัณหารเราต้องเอาชนะกิเลสตัณหาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวกทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ผู้ชนะที่แท้จริงท่านไม่มีข้าศึกศัตรูหลงเหลืออยู่ภายในใจของท่านอีกต่อไปแล้วท่านก็ไม่ไปทาไปสร้างข้าศึกศัตรูภายนอกกับใครใครจะมาทำศึกกับท่านท่านก็ไม่ทำศึกด้วยท่านถอยท่านหลบฉากปล่อยให้เขาชนะไปชิดซ้ายไปใคอยากเป็นใหญ่ให้เขาเป็นไปใคอยากชนะให้เขาชนะไปแต่ ใจของท่านนี่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงชนะกิเลสตัณหาใจของท่านมีความสุขมีความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์ดีกว่าผู้ที่มีชัยชนะภายนอกที่ยังจะต้องมีความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้เราจงมาทำสมคามภายในกันดีกว่า มาต่อสู้กับข้าศึกษัตรูภายในดีกว่าเพราะเป็นข้าศึกษัตรูที่แท้จริงถ้าเราไม่เอาชนะ ข, ข้าศึกษัตรูภายในใจเราเราจะเป็นผู้แพ้ไปตลอดไม่มีวันที่เราจะชนะเพราะเราจะต้องทุกข์ไปตลอดแพ้กิเลสตัณหานั่นเองจึงขอให้พวกเรานาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพพจารณา เพื่อความสุขเพื่อความสงบที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 มณีโชติหราโสยะถาสพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโวินาศสตุมาเตภาวะตุอันตรายูสุขีธีขายุโยโวะ อะพิวาธานาสีริสะนิจังวุธาปจายนโนจตารโรธรมาวาทานติอายุวันโสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟซบุ๊กสามร้อยเก้าสิบเก้ายูทูสอง้อยหสิบหกวิอออนไลน์ยี่สิบ ผู้รับฟังบนเขาสามสิบสามรวมเจ็ดร้อยสิบแปดท่านค่ะมีใครอยากถามอะไรก็เฉินถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาทางบ้านไม่ทราบว่ามีข้อคำถามเข้ามาหรือยังมีแล้วคะ่ะอาจารย์คำถามจากคุณบุญชัยกราบเรียนถามเจ้าค่ะ ถามต่อจากเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องบริจาค ก, กายให้ให้โรงพยาบาลให้นักศึกษาเรียนรู้ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ได้บุญแต่ได้ประโยชน์ แต่ไม่แน่ว่าเขาจะนําไปใช้หรือเปล่าดิฉันเห็นด้วยค่ะและปัญหาว่าได้บอกญาติญาติไปแล้วและเขาอนุโมทนาแล้วคราวนี้ดิฉันเปลี่ยนใจไม่บริจาคแล้วจะไปขอถอนคําพูดกับญาติว่าดิฉันจะไม่บริจาคแล้วจะผิดคําพูดจะบาปไหมคะและดิฉันยังไม่ได้ไปแจ้งมอบที่โรงพยาบาลด้วยเจ้าค่ะคือการบริจาคนี้เหมือนมันไม่เสียหายตรงไหนหรอ เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ใช้มันแล้วเวลาร่างกายตายไปแต่คนที่อยังต้องการใช้มันเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการให้ของเราไปเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับบุญเท่านั้นเองเพราะว่าการที่จะได้บุญนี้เราต้องทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเวลาเราตายไปนี้ตามหลักธรรมนี้เราถือว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของของนั้นแล้ว เท่ากับว่าเราไม่ได้เสียสละถ้าเราอยากจะเสียสละเราต้องเสียสละในตอนที่มันยังเป็นของเราอยู่ถึงจะได้บุญเรายกตัวอย่างถ้ายกภรรยาให้คนอื่นไปกับตอนที่ยกให้ที่เขาอยากกับเราแล้วนี่ความรู้สึกมันต่างกันไหมถ้าเขาอยากก็แล้วแล้วก็จะไปเป็นอะไรของใครเราก็ไม่เราก็เฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเรา ยกภรรยาให้คนอื่นเพราะเรารู้ว่าภรรยารักคนนั้นมากกว่ารักเราแล้วเราอยากให้ภรรยาเรามีความสุขเราก็เลยยินดีเสียสละให้เขาไปเราจะได้ความสุข mm hmm. ใช่ไหมอันนี้พูดอย่างนี้เปรียบเทียบให้ฟังร่างกายนีตอนที่มันอยู่กับเรานี่เรารักหนดแล้แล้วถ้าเกิดใครได้อวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปแล้วทำให้เขาได้ประโยชน์นี้แล้วเรา เราเราอยากให้คนนั้นเขามีความสุขเนี่ยเราให้เขาไปแล้วเราได้ความสุขไหมแต่ เ, ออเราเบอร่อยจากตาไปอันนึง อ, อมีสองตาออสมมติแม่ตาบอดต้องมีการบอรอยจากตาออลูกยินดีไหนไหนร่างกายนี้ก็เป็นของแม่อยู่ดีออไม่อยากให้แม่ตาบอดก็แบ่งตาให้แม่สักข้างนึง อ, อ, อย่างนี้เวลาให้แบบนี้ให้แบบเห็นชัดกับตัวเอง แล้วต้องให้ด้วยใจที่ต้องสละจริงๆถึงจะให้ได้แต่ให้ตอนที่เราตายไปเราไม่ได้ให้แล้วเราไม่ได้เสียสละอะไรเลยความรู้สึกเลยไม่เกิดขึ้นบุญที่อยู่ในใจมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราถ้าเราจะบริจาคแล้วเราก็บริจาคไปก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะว่าตายไปเขาก็ ถ้าไม่บริจาค เ, เขาเ้าไปเผาทิ้งไปถ้าบริจาคถ้าเขาใช้อันไหนได้ก็จะเป็นประโยชน์ของคนที่เขาต้องการอวัยวะส่วนนั้นไปก็ถือว่าก็ได้ทําบุญทําทานเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญนั่นเองเพียงแต่ว่าคนที่รับไปเขาก็จะได้ประโยชน์คำถามจากคุณจินขอบมีสองคำถามนะคะกราบนรรมสการครับ พระอรหันต์ท่านใช้ความคิดอย่างไรครับเมื่อท่านไม่เป็นความคิดความคิดไม่เป็นท่านแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าความคิดนี้ก็เป็นความคิดที่มันอยู่ในอยู่คู่มากับใจพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็มีความคิดท่านรู้ทันว่ามันไม่ได้เป็นท่านแต่ท่านใช้มันได้เข้าใจไหมความคิดนี้ คนที่ไม่เป็นพาาาระอรหันนี้หลงคิดว่าเป็นเป็นของตนเป็นความคิดของเราแต่พาาาระอรหันนี้กลับไปมองเห็นว่าความคิดเป็นของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของธาตรู้ที่ท่านสามารถเอามาใช้ประโยชน์ก็ได้เอามาใช้ให้เกิดโทษกับตนเองก็ได้กับผู้อื่นก็ได้แต่พาาาระอรหันนี้ท่านจะรู้จากวิธีใช้ความคิด ที่ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกับตนเองจะไม่เอาความคิดมาใช้ให้เกิดโทษกับตนเองหรือกับผู้อื่นเหมือนพวกคนที่มีกิเลสพวกที่มีกิเลสมักจะเอาความคิดนี้มาทำให้เกิดโทษกับตัวเองเช่นเวลาโกรธนี่เวลาโกรธใครนี่ตัวเองก็ทุกข์แล้วก็ไปทำร้ายผู้อื่นให้เขาทุกข์อีกนี่ก็ใช้ความคิด แต่พระอาหารหนนี้จะไม่ใช้ความคิดไปกับความโกรธจะใช้ความเมตตาแทนใครทำให้ท่านไม่พอใจท่านก็เมตตาให้อภัยเขาไปไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านก็ใช้ความคิดไปในทางที่ดีนั้นความคิดนี้มันเป็นธรรมชาติไม่มีเป็นของใครมันมากับใจใจก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้นี่แต่ธาตุรู้ของปุถุชนนี้ถูกความหลงโมหะอวิชชาครอบงำอยู่ที่ไปสร้างความคิดว่าิไปสร้างความความรู้สึกคิดว่ามีตัวตนในความคิดเนี่ซึ่งความจริงตัวตนไม่มีในความคิดความคิดก็เป็นความคิดเหมือนกับเสียงลมเนี่ยเสียงลมพัดนี้ก็ไม่มีตัวตน แต่เราอาจจะไปแต่งว่าโอ้ยเทวดาเป่าลมมาแล้วหรือว่าอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นการปรุงแต่งของชองใจที่ไม่มีความคิดไม่มีความไม่มีปัญญาเราชอบปรุงแต่งไปกับเสียงมผีมาแล้วเนพอได้ยินเสียงก็ผีมาแล้วเนี่ยเสียงมันก็เสียงเลยไปว่ามันเป็นผีได้ไงแต่เรามันบ้ากันโง่กันคิดไม่เป็น นคิดไปตามความหลงชอบหลอกตัวเองผ่านฐานท่านศึกษาดูจริงๆว่าเอมันเป็นอะไรกันแน่เสียงมันเป็นอะไรกันน่ะเสียงมันก็เป็นเสียงมันจะเป็นอะไรมันเกิดจากอะไรก็ไปดูบางทีก็เป็นกิ่งไม้มาขูดกับหลังคามันก็มีเสียงขึ้นมามันเป็นผีทีงไหนใช่ไหม มันไม่มันไ ม, ม, นไม่เหมือนพวกกระต่ายตื่นตัวมาจะ ต, ตายนอนอยู่ใต้ต้นตาลพอลูกตาลหล่นมาใกล้ๆ ก, กับตัวเองนตกใจตื่นคิดว่าแผ่นเดือนแผ่นดินไหวแล้วสิโอทีนี้ไม่ไม่พอคิดว่าเป็นแผ่ น, นไหวก็วิ่งแล้วสิวิ่งแบบแบบเอาจริงเอาจังเลยนะพอสัตว์อื่นเห็นก็ตกใจตามว่า ไ ป, ไปทำอะไรมาไปเหมาะแผนดินไหวพระตัวอื่นได้ยินไม่ทันเห็นก็วิ่งตามเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยพวกนี้เป็นอย่างเงี้จิตใจของปุถุชนจะเป็นอย่างนี้เป็นจิตใจที่ชอบคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองเหมาไปเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ไปวิเคราะห์ดูไม่พิจารณาดูว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่พระพุทธเจ้าฝ้าลานนี่ท่านวิเคราะห์ดูความคิดท่านก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาต ที่มากับใจใจผู้รู้นี้มีมีความคิดมีความจำมีความรู้สึกมีการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทา ง, ต า, งตาหูจมกูกลิ้นกายแต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันก็เป็นไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ในศาสนาบางเอื่นตุตะขึ้นมามีพระเจ้าสร้างกันขึ้นมา พระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างโลกสร้างอะไรขึ้นมาสร้างน้ําสร้างอะไรขึ้นมาโลกตุตะกันว่าไปแล้วก็เชื่อกันใชมเชื่อกันเป็นไม่รู้กี่หมื่นล้านคนนเชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกกันสร้างอะไรกันขึ้นมากัน <c oughs> ความจริงมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันสร้างของมันมามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ ตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้แหละมันไม่มีจุดเริ่มต้นของธรรมชาติธรรมชาติมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงกันไปโลกนี้เกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับดับแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเกิดใหม่มันก็ไปปรากฏขึ้นมาใหม่เรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างนี้จักรวาลแต่ละจักรวาลเขาว่ามีการขยายตัวมีการหดตัวมันจะดูดเข้าหากันจนกระทั่งเป็นเหมือนกับเป็น ก้อนก้อนหนึ่งพอมารวมกันอัดกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ระเบิดออกไปกระจายไปเป็นดวงดาวดวงเดือนเป็นโลกใหม่มันก็เป็นอย่างนี้มาฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นคนที่วิเคราะห์ก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆแต่แต่ก็รู้ว่าเช่นความคิดนี้เราสามารถที่จะสั่งให้มันคิดได้ สั่งให้มันหยุดได้ถ้าเรารู้จากวิธีใเราสามารถสั่งให้หยุดความคิดได้ถ้าเรามีสติเราสามารถสั่งให้มันคิดไปอีกคิดอีกเรื่องหนึ่งได้ถ้ามันคิดในเรื่องนี้แล้วมันเราไม่อยากให้มันคิดเราก็สั่งให้มันคิดได้ถ้าเรารู้จักฝึกมันสอนมันแต่ถ้าเราไม่รู้จักฝึกมันก็สอนมันไม่ได้ มันคิดอยู่เรื่องนี้มันก็จะคิดแต่เรื่องนี้ล้อ ง, องห่มล้องไห้เป็นตายยังไงก็ไม่ยอมไปคิดเรื่องอื่นนะก็จะคิดอยู่กับเรื่องนี้จนกว่ามันจะหมดแรงเนะี่ยพอมันหมดแรงมันก็เลิกคิดไปเองยัง <c oughs> เรื่องของความคิดถึงแม้ว่ามันจะเป็นธรรมชาติเราก็ยังสามารถที่จ ะ, ะควบคุมมันบังคับได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ทุกระดับเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราก็ สามารถควบคุมมันได้บ้างเห็นไมฝนเรายังทำฝนเทียมได้เห็น้หมน้ำนี่เรายังกักให้มันอยู่ในอ่างในในบึงในสระได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันที่เราสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่เราจะทำให้มันหายไปทำไม่ได้ทำให้มันน้าหายไปจากโลกนี้เป็นไปไม่ได้ฉันได้เราก็ทำลายความคิดให้มันหายไปไม่ได้ แต่เราหยุดมันได้เป็นพักๆหรือเราเปลี่ยนความคิดได้ถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ให้มันคิดไปในทางที่ดีได้อันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่เขาค้นคว้าวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเขาก็จะรู้ว่าวิธีที่จะทำอะไรกับจิตใจนี้ก็ทำได้มีอะไรทำได้ก็มีสิ่งที่ทำไม่ได้ก็มี จะทำให้จิตใจหายไปนี้ทำไม่ได้แต่จะทำให้ความคิดหยุดหายไปเป็นพักๆนี่หายได้จะให้มันคิดไปในอีกทางหนึ่งทำได้แต่จะให้มันหยุดคิดเลยไม่ให้ความคิดหายไปเลยนี้ทำไม่ได้คาถามข้อสองจากคุณจิณขอบนะคะระหว่างรู้และคิดมีขั้นตอนของจิตใดอยู่ระหว่างนั้นไหมครับ หรือเป็นเหมือนสิ่งที่สลับกันเหมือนเหรียญสองเหมือนเหรียญสองหน้ากราบขอบพระคุณครับมันหน้าเดียวเนี่ยมันไปพร้อมกันคิดกับรู้รู้มันรู้ตลอดเวลาแต่คิดมันคิดบ้างไม่คิดบ้างหยุดบ้างไม่คิดบ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวรู้มันก็จะไม่รู้ว่าคิดเนี่ยนนตัวรู้เป็นที่ตัวตัวตั ว, ต, วตัวที่รู้ว่ามีความคิดเนี่ย ถ้าไม่มีตัวรู้ก็เหมือนร่างกายเนี่ยเ ห, เหมือนเหมือนเสาเนี่ยมันไม่มีตัวรู้นะมันก็จะไม่รู้ว่ามันมีความคิดหรือไม่มีความคิดเนดะียวนคำถามจากคุณแอนมีเพื่อนมีเพื่อนถามมาว่าปฏิบัติธรรมเพื่อ น, นิพานกันแล้วรู้ไหมว่านิพานเป็นอย่างไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีความรู้สึกนิพานกราบพระอาจารย์ช่วยตอบปัญญาลูกศิษย์ด้วยเจ้าคะ่ะ นิพพานก็คือการทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นเองการกำจัดข้าศึกศัตรูของใจที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจคือกิเลสตัณหานี้นะผู้สิ้นกิเลสก็คือผู้ที่ไปถึงนิพพานคาว่านิพพานก็คือใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเท่านั้นเองคาว่านิพพาน มันไม่ไปอ่านคำแปลกันไม่ไปนั่งวาดภาพกันว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรกันไปหมดนิยามของคำว่านิพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เท่านั้นเองคำถามจากคุณวิชาลอนเนลีกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทำไมเราเข้าวัดทาบุญบ่อย แต่ทำไมบางทีจิตใจเรายัางไหลลงไปสู่ที่ต่ำคิดที่จะทำไม่ดีแต่มันแค่คิดนะคะยังไม่ได้ทำอย่างนี้มันจะผิดศีลผิดธรรมไหมคะในใจเรามันมีทั้งผลักให้เราทำมีทั้งค้านไม่ให้เราทำคิดอย่างเดียวผิดไหมคะหนูก็กลัวกิเลส ท, ที่มันอยู่ในใจจะทำอย่างไรดีคะรามันไปวัดไม่ถึงวัดนะสิมันก็เลยมันก็เลยยังฆ่ากิเลสไม่ได้ ถ้าไปวัดให้ถึงวัดมันก็ต้องไปปฏิบัติธรรมะถึงจะไปฆ่ากิเลสได้ถ้าไปวัดไปจุดธูปเทียนสามดอกเอาเงินใส่ตู้บริจาคแล้วก็กลับบ้านนี้มันก็ไปแค่เปลือกของวัดทั้งเองถ้าผลไม้ก็แกะเปลือกกินไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่อิ่มสักทีมันก็หิวอยู่เรื่อยๆอยากจะให้มันอิ่มต้องไปกินเนื้อของผลไม้ไปกินเปลือกทุเรียนกับเนื้อทุเรียน น, นี่นะครับาย ไปวัดก็ไปแบบไปทาพิธีกรรมอะไรต่งไปสวดไปอะไรกันนี่ไปไม่ถึงวัดนะไปถึงวัดต้องไปภาวนาไปาศึกษาก่อนไปฟังเทศฟังธรรมให้เข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับธรรมด้านต่างๆแล้วนำเอาธรรมที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้เราจะถึงเรียกว่าไปถึงวัด จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราควรจะเริ่มทําอย่างไรที่จะตัดความอยากออกจากใจครับก็หยุดอยากสิแต่ไม่ได้ให้หยุดอยากทุกอย่างนะให้อยากแค่สามตัวนี้ท่านเองอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่อยากอย่างอื่นทําได้อยากทําบุญทําได้ อยากรักษาศีลทำได้อยากไหว้พระสวดมนต์ทำได้อยากนั่งสมาธิฟังทำได้อยากฟังธรรมทำได้เดี๋ยวพอบอกให้หยุดอยากพ่อก็หยุดทุกอย่างเลย <laughs> <laughs> ถ้า ห, หยุดสามตัวนี้พออยากไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญซ ะ, ะมันก็จะได้ไม่มีเงินเที่ยวมันก็เลยไปเที่ยวไม่ได้พออยากจะไปช้อปปิง้งก็เอาเงินที่จะไปช้อปปิ้งนี้ไปทําบุญซะพอไม่มีเงินช้อปปิง้งมันก็ไม่เป็นช้อปมันก็ไม่ไปช้อปปิง้งทาอย่างนี้ออคําถามจากคุณอภิชาตมิ ผู้ฝากถามครับเมื่อตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนรกสวรรค์มีจริงไหมถ้าคิดสิ่งใดก่อนตายเมื่อตายแล้วจะไปเกิดตามสิ่งที่คิดใช่ไหมเวลาตายมันก็กลับไปอยู่ในโลกทิพยนะ์เนี่ยความจริงมันอยู่ในโลกทิพย์ตลอดเวลาแต่พอมันมีร่างกายมันก็เลยหนีจากโลกทิพย์มามาเที่ยวโลกโลกกระาตมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ตัวใจจริงๆมันอยู่ในโลกทิพย์ตลอดเวลา พอมันมีร่างกายมันก็เหมือนกับส่งญาอวกาศไปโลกพระจันทร์แล้วเราก็เลยใช้ยาอวกาศนี้ไปพาเราท่องเที่ยวในโลกพระจันทร์ส่วนต่อไปยาอวกาศมันอาจจะเก่งมันสามารถถ่ายภาพมาสามารถบันทึกเสียงสามารถ <c oughs> ทําอะไรเหมือนกับร่างกายทําได้ร่างกายเหล่านี้เป็นเหมือนยาอวกาศเข้าใจไหมใจเหล่านี้เป็นเหมือนผู้ควบคุมยาอวกาศ เราส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงดาวต่างๆแล้วก็เหมือนส่งร่างกายมาสำรวจสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนใจนี่อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์แล้วติดต่อกันได้ด้วยกระแสจิต <c oughs> เหมือนกับเราติดต่อกับยานอวกาศด้วยกระแสวิทยุใช่ยานอวกาศถ่ายภาพมามันก็ส่งมาทางกระแสวิทยุ เราก็รับกระแสวิทยุแล้วมาแปลงกระแสวิทยุให้เป็นภาพอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันร่นางกายมันก็มารับภาพมารับเสียงในโลกนี้แล้วมันก็ส่งไปให้ใจที่อยู่โลกทิพย์อีกทีหนึ่งใจก็รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้เห็นภาพได้ยินเสียงแต่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสมมติว่าร่างกายเป็นอะไรไปก็เป็นแค่ร่างกาย ไม่ได้ไปทำให้ผู้ที่ไปรับรู้ภาพเสียงเป็นอะไรไปด้วยเพราะอยู่คนละที่กันก็เหมือนยานอวากาศถ้าเกิดมันเสียมันไม่สามารถถ่ายภาพมันไม่สามารถส่งเสียงกลับมาได้ก็ถือว่ายานนั้นมันเสียมันตายไปผู้ที่ควบคุมยานผู้ที่คอยรับภาพรับเสียงก็รับไม่ได้ทั้งนั้นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับยานอวากาศเ <c oughs> ข้าใจไหย ใจของเรานี้อยู่อีกโลกเราเรียกว่าโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่อีกโลกเรียกว่าโลกกะทาดโลกนี้เป็นโลกกะทาดเพราะมันทำด้วยธาตุสี่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมาจากธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟส่วนใจเป็นธาตรู้มาส่งสัญญาณมารับข้อมูลจากร่างกายที่เป็นธาตุสี่รับรูปเสียงกลิ่นรสส่งไปให้ใจ แล้วใจก็ส่งคําสั่งกลับมาว่าเออรูปนี้ดีไปเอามาให้หน่อยสิรูปเสียงนี้ดีไปเอามาหน่อยสิไปซื้อแผ่นเสียงมามาเปิดฟังไปซื้อวิดีโอมาดูหนังเรื่องนี้ใจมันอยากจะดูมันก็เลยสั่งให้ร่างกายไปซื้อมาถ้าเหนคนนี้น่ารักเอามาเป็นแฟนอ่ะไปสั่งให้มันไปจีบอ่ะไปจีบเขาหน่อยสิไปขอเขาหน่อยนี่ แล้วก็มีพ่อมีแม่กขาไปขอเขาขอให้เขามาอยู่กับเรามาเป็นแฟนเราใจก็เป็นคนสั่งหลังจากที่ร่างกายส่งภาพส่งเสียงของคนนี้ไปให้ใจดูใจเห็นแล้วก็ติดใจชอบคนนี้ก็เลยสั่งให้ร่างกายไปจัดการไปหาวิธีไปเอาเขามาให้เป็นของเราให้ได้ นี่ก็คือเรื่องของใจกรับร่างกายร่างกายเป็นเบาเข้าใจไ้ยเป็นคนรับใช้เป็นคอยรับคำสั่งจากใจแล้วเป็นคนส่งข้อมูลไปให้ใจถ่ายภาพไปให้ใจดูบันทึกเสียงให้ใจฟังพอใจได้เห็นภาพได้ยินเสียงพอชอบก็อยากจะได้ก็สั่งให้ร่างกายไปจัดการไปหามาเอามาครอบครอง ามาอยู่กับเราอยู่กับอยู่ใกล้ๆเราจะได้เห็นตลอดเวลาจะได้ยินได้ฟังตลอดเวลาเห็นได้ว่าใจมันโง่งตรงที่ไม่รู้ว่าของที่อยากได้มานี่นอกจากมันจะให้ความสุขแล้วมันกลับให้ความทุกข์ได้เพราะของที่เราเห็นนี่มันเปลี่ยนได้ตอนที่เราเห็นเราเห็นว่ามันดีเวลาฟังเสียงมันดีแต่พอมาอยู่กับเราบางทีมันเปลี่ยนจากเสียงชมมันก็มาด่าเรา จากหน้าตาที่สวยงามก็กลายเป็นหน้ายักษ์หน้ามารขึ้นมาไม่ไม่เห็นตอนนั้นแล้วมันก็มาเสียใจมาทุกตอนนั้นแต่ทุกแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเมื่อมาอยู่แล้วจะให้มันไปมันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายๆพอเบื่อแล้วอย่าบอกให้เขาไปเขาก็ไม่ไป <c oughs> ถ้าจะไปเขาก็ต้องต้องต่อสู้กันก่อนแล้วต้องมาแบ่งสมบัติกันก่อนถึงจะไปได้ <c oughs> เนี่ยใจมันโง่มันเห็นอะไรแล้วมันเห็นแต่พอมันเห็นอะไรมันชอบมันคิดว่าจะดีไปตลอดแต่ความจริง้วมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันดีไปตลอดเพราะมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเปลี่ยนได้อยากดีกลายเป็นของไม่ดีได้เห็นไหมอาหารน่าเลยอร่อยขนาดไหนทิ้งไว้สามวันบูดแล้วนะกินไม่ได้นะคำถามจากคุณพัชชา กราบนมัสการพระอาจารย์การไปปฏิบัติธรรมขณะที่เราไม่สบายใจแต่เมื่อไปแล้วก็รู้สึกสบายใจชั่วขณะหนึ่งเจ้า่ะกับเราไปแบบสบายใจผลการปฏิบัติจะเท่ากันหรือไม่คะเพราะขณะที่ไปแบบไม่สบายใจแม่ก็จะบน่นว่าไปแล้วไม่ได้อะไรหรอกเพราะเราทิ้งครอบครัวและลูกๆไป กลับมาก็เจอสภาพเดิมๆเจ้าค่ะอ๋อไปมันก็สบายใจมากขึ้นนเะนี่ะเข้าใจหม <c oughs> ถ้าไปแบบติดลบมันก็จะหายติดลบเวลาไม่สบายใจก็เหมือนติดลบพอไปวัดมันก็เลยหายติดลบแล้วมันก็ติดบวกแต่อาจจะติดบวกน้อยกว่าตอนที่เราไปแบบสบายใจเพราะตอนที่เราไปสบายใจเราติดบวกอยู่แล้วเราไปเพิ่มไหมมันบวกมากขึ้นไป งั้นการไปวัดนี่ไปได้ทุกเวลาไม่ใช่ต้องไปเฉพาะเวลาไม่สบายใจเท่านั้นเวลาไม่สบายใจก็ต้องไปเวลาสบายใจก็ต้องไปถ้าอยากได้ความสบายใจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะการไปวัดเหมือนกับการไปเติมน้มามันรถเนี่ยคุณจะไปเติมตอนไหนก็ได้ใช่ไหเติมตอนที่มันหมดก็ได้เติมที่มันยังไม่หมดก็ได้เติมให้มันเต็มถังก็แล้วกันออการไปวัดนี่เป็นการไปเติมความสุขเติมความสบายใจ ไปได้ทุกเวลาจะ <c oughs> ไม่ไปก็ต่อเมื่อมันเต็มถังแล้วเมื่อความสุขมันเต็มถังแล้วก็ไม่ต้องไปแต่ส่วนใหญ่พอมันเต็มถังแล้วมันก็ไม่อยากจะไปไหนมันอยากจะอยู่วัดมากกว่าเพราะไม่มีที่ไหนที่มันจะสบายกว่าอยู่วัดนะคำถามจากคุณวิชัย เมื่อวานที่มีคนถามพระอาจารย์เรื่องจิตเศร้าหมองและพระอาจารย์ให้ทําสติอยากทราบว่าเมื่อทําสติอยู่ต่อเนื่องจิตเศร้าหมองหายไปแล้วแต่ชีวิตจริงที่ไม่เกี่ยวกับจิตแต่ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาอีกเราสามารถที่จะมีสติทําให้พ้นทุกข์ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็ถ้าใช้สติมันก็พ้นทุกข์เป็นพักๆไปเวลาเจอเหตุการณ์เราก็อย่าไปปรุงแต่งกับมัน เฉยๆกับมันไปอย่าไปอยากอะไรกับมันพุโทโธพุโทโธไปปล่อยมันไปแต่ถ้าเราอยากจะหายอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเป็นไตรลักษอันนี้จังทุกขังอนะตาเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับให้เราอยู่กับมันไป อะไรเกิดก็ให้มันเกิดอะไรมันดับก็ให้มันดับเราจะถ้าไม่มีความอยากให้มันดับให้มันเกิดเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็ไม่ต้องใช้สติถ้าเรามีปัญญาเพราะเราจะวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้คำถามจากคุณวันนิพากลาบเรียนถามพระอาจารย์ โยมฝึกสติแบบลืมตาลืมตาในชีวิตประจําวันหากโยมดูจิตต่อเนื่องจนเกิดสมาธิเผลอรู้ว่าเผลอนานแค่ไหนถึงจะเริ่มฝึกจิตให้สู่วิปัสสนาเจ้าคะไม่รู้ว่าคนดูจิตให้มันสงบได้ยังไงดูจิตมันก็ยิ่งยิ่งไม่สงบใหญ่วิธีดูจิตให้มันสงบ คุณให้ให้ให้คุณได้ความสงบก่อนให้จิตรวมสงบก่อนถึงจะไปทางวิปัสสนาได้ฉะนั้นถ้าคุณดูจิตแล้วคุณคิดว่าคุณได้สมาธิแล้วนะี่คุณยังหลงอยู่คุณดูจิตนี่คุณจะต้องดูจนกระทั่งจิตมันสงบไม่คิดปุงแต่งแล้วมันเกิดความสุขที่บอกบที่แบบว่าพูดพูดไม่ถูกว่าเป็นสุขอย่างไร สุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าคุณยังไม่ได้สุขั น, นี้อยู่ก็ยังไม่ถือว่าคุณได้สมาธิอยู่ถ้าไม่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไปทางวิปัสสนาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคุณจะไม่สามารถไปใช้ปัญญาเพื่อตัดกิเลสได้การจะตัดกิเลสได้นี้คุณต้องมีความสุขที่เกิดจากความสงบไว้เป็นตัวต่อร่อง คือคุณต้องมีของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าคุณหนึ่งจะไปบอกกิเลสว่าเลิกใช้ของเก่าได้แล้วถ้าจนคุณได้แฟนใหม่คุณก็ไปบอกกิเลสว่าตอนนี้เลิอกอยู่กับแฟนเก่าได้แล้วเพราะคุณมีแฟนใหม่ดีกว่าแฟนเก่าแต่ถ้าคุณยังไม่มีแฟนใหม่คุณยังต้องอยู่กับแฟนเก่าอย่างดีกว่าอยู่คนเดียวใช่ไหม กิเลสมันก็จะไม่ยอมเลิกถ้ามันไม่มีแฟนใหม่ให้มันอยู่ด้วยมันก็ยังอยากจะอยู่กับแฟนเก่าต่อไปเหมือนคนที่ได้รถใหม่นะ้วก็ทิ้งรถเก่าได้แต่ถ้ายังไม่มีรถใหม่รถเก่าก็ยังดีกว่าเดินวะใช่หไหมดังนั้นการที่เราที่จะไปหยุดกิเลสได้นี่เราต้องมีอะไรมามาให้กิเลสแบบร า, ากเปลี่ยนกับของเก่า กิเลสมันชอบของนี้แต่ของเก่านี้มันทําให้เราทุกข์อยู่เรื่อยๆตอนนี้เราเอาของใหม่มา้กิเลสนี่คือความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ดีกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากของเก่าๆพอเรามีความสุขใหม่ที่ดีกว่าความสุขเก่ากิเลสมันก็ยอมปล่อยของเก่าได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปวิปัสสนาได้เราต้องได้ความสุขใจ ก่อนในสมาธิคือความสุขใจก่อนคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามคำว่าความสุขใจคิดว่าความนั่งสมาธิจิตสงบไม่คิดปับ๊บสองสามนาทีก็ได้ความสงบแล้วไม่ใช่เมันต้องสงบแบบมีความสุขแบบไม่หิวไม่อยากได้อะไรอย่างนั้น่ะมันถึงจะเรียกก็เป็นความสงบ แล้วก็ต้องทำให้มันสงบนานๆสงบบ่อยๆสงบทั้งวันสงบทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิสงบทั้งในขณะที่ออกมาแต่แม้ว่าจะออกมามันจะสงบไม่ไม่ตลอดมันเป็นเหมือนน้ำเย็นนะน้ำเย็นเวลาแช่ตู้เย็นมันเย็นพอออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้ข้างนอกสักพักเดี๋ยวมันจะหายเย็น คามสุขที่เกิดจากสมาธิก็จะเป็นแบบนี้เวลาอยู่ในสมาธินี้มันจะสุขเต็มร้อยแต่พอออกจากสมาธิมามันก็จะลดมันก็เต็มร้อยตอนที่ออกมาใหม่ๆแล้วเลือก้าวสิบเดือกแปดสิบพอมันจะลงไปที่ศูนย์เราก็กลับเข้าไปเติมใหม่เข้าไปนั่งสมาธิใหม่ ทำยี้ไปทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งไม่มีช่วงไหนที่มันจะไม่สุขแล้วตอนนั้นเนี่ยเราถึงจะมาใช้วิปัสสนาบอกกิเลสว่าตอนนี้เราได้ความสุขแบบนี้แล้วดีกว่าความสุขแบบเก่าเยอะแยะเปลี่ยนเอาความสุขแบบนี้ดีกว่าเวลามันอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่เอาดีกว่าอเอาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าเวลาจะไปหาแฟนก็ไม่เอาดีกว่าเอาความสงบดีกว่า ถ้ามันทำอย่างนี้ต่อไปมันก็เลิกได้เพราะว่าความสุขที่ได้จากแฟนได้จากกาแฟมันเป็นความสุขเดียเด๋ยวๆได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วบางทีไม่ได้ไม่ได้ก็เสียใจเวลาอยากดื่มกาแฟกาแฟหมดก็ทุกเวลาอยากจะหาแฟนแฟนบอกไม่ว่างก็เสียใจนี่คือแต่ถ้ามีความสุขความสงบใน ใ, น ใ, นใจอั น, นี้ไม่เดือดร้อน ไม่มีกาแฟดื่มก็ไม่เดือดร้อนไม่มีแฟนไปหาก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับความสงบได้มีความสุขได้เพราะฉะนั้นการจะไปวิปัสสนาได้จริงๆนี่ต้องต้องมีความสงบก่อนแล้วเป็นสงบแบบต่อเนื่องทั้งในทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิม า, านั่นแหละถึงจะเป็นการที่จะเอาไป จเจริญปัญญาต่อไปไดป้ปัญญาก็สอนใจให้รู้ว่าความสุขเก่าแบบเก่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้หรือเธอได้มาแล้วบางทีก็เสียไป <c oughs> มันจะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆ อ, อย่าเอาความทุกข์แบบนี้ดีอย่ า, อาความสุขแบบนี้ดีกว่าเอาความสุขที่เรามีอยู่แล้วในขณะนี้ดีกว่าคือความสงบ คือเหมือนถ้าเราเอารถยนต์มาเปรียบเทียบกันรถใหม่นี่วิ่งได้ตลอดเวลาดีกว่าทันสมัยกว่าทุกอย่างมีคอมมีอะไรกดปุ่มมีอินเทอร์เนต็ตอยู่ในรถกับใช้ของเก่ามกโลโกโสมันทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดวิ่งไปแล้วเดี๋ยวบางทีหม้อน้ํำก็ร้อนเบรก ก, ก็ไม่เบรกก็ไม่เบรกอะไรอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้รถเก่ากับรถใหม่คุณจะเลือกคันไหนก็จะใช้รถคันใหม่ แต่ถ้าคนไม่มีรถใหม่รถเก่าก็ยังดีกว่ารถดีกว่าไม่มีรถใช่ไออถ้าไม่มีสมาธิเลยมันก็ยังไงกาแฟาก็ยังดีวะแฟนก็ยังดีวะ่ะบางทีถ้าเขาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรทำใจรอเขาหน่อยถ้าไม่มีกาแฟาก็ทําใจทนเไว้หน่อยเดี๋ยวก็ไปหากาแฟใหม่มากินได้มันก็คิดอย่างนี้มันก็จะเลิกไม่ได้ถ้ามันไม่มีของใหม่ที่ดีกว่ามาทดแทน เราจึงต้องสร้างของใหม่ที่ดีกว่ามาทดแทนของเก่าของใหม่ที่ดีกว่าก็คือความสุขที่ได้จากความสงบนี่แหละคือสมาธนินี่เรานั่งยังไม่ได้ความสุขแล้วเราเราจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนอ่ะไม่มีเราก็แลกเปลี่ยนไม่ได้หยุดความอยากต่างๆไม่ได้คำถามจากคุณวิไลลักษ์กราบนรมัสการ์ค่ะพระอาจารย์ท่านที่ปฏิบัติจนได้เจโตวิมุต มีขึ้นได้ในพระอริยเจ้าเท่านั้นหรือเปล่าคะและปุถุชนที่ถือศีลห้าที่ชอบทำสมาธิก็สามารถทําให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่าคะพูดแบบไม่รู้เรื่องะรู้ภาษาแต่ไม่รู้ความหมายของภาษาพูดมั่วไปหมดเจโตวิมุตต์ใครจวิมุตต์ได้ทําให้เป็นพระอริยเจ้าหาฤเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้บรรลุธรรมถ้ายังไม่บรรลุธรรมมันไม่เรียวกว่าพระอริยเจ้าเขาเรียวกว่าปุถุชน ผู้ทุชนจะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพูดมั่วไปหมดเจโตวิมุตต์บ้างปัญญาวิมุตต์บ้างโดยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพูดกันไปกรรมาฐานบ้างวิปัสนาวัดวิปัสนาบ้างพูดนั่งกรรมาฐานบ้างนั่งสมาธิบ้างนั่งวิปัสนาบ้างแต่ไม่รู้ความหมายของคําเหล่านี้พอมาถามคนที่รู้ความหมายเลยงงมาด้วยจะตอบอยังไง คำถามจะกคุณนักธิกิจกล้าวกระผมอยากถามว่าทำไมเมตตาผู้อื่นแล้วจึงเศร้าหมองใจขอรับทำไมรักคนอื่นแล้วเราจึงทุกข์อรับเป็นความเมตตาเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ครับใช่มันรักด้วยกิเลสไเมตตาด้วยกิเลสรักเพราะอยากจะให้เขารักเราพอเขาไม่รักเราเราก็เสียใจ ต้องรักแบบไม่ต้องการอะไรจากเขาเมตตาแบบไม่ต้องการอะไรจากเขามันก็ถึงจะไม่เสียใจที่เสียใจเพราะว่าทําอะไรให้เขาเราอยากจะให้เขาทําอะไรให้กับเราอย่างน้อยให้เขายิ้มกับเราสักหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยให้เขาพูดสขอบคุณสักคำก็ยังดีอันนี้ก็จะทําให้กลายเป็นกิเลสไปแล้วพอเขาไม่ขอบคุณพอเขาไม่ยิ้มก็เสียใจหม <c oughs> ดแล้วนะ นี่คำถามหนึ่งค่ะาจากคุณมานาัทจิตฟุ้งซ่านครับแก้อย่างไรครับก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดอย่าไปหยุดพุดโทโธอย่าไปหยุดสวดมนต์จนกว่ามันจะจนกว่ามันจะหายฟาุ้งซ่านถ้าหยุดมันก็ยังไม่หายเหมือนกินยาที่ต้องกินไปได้เรื่อยจนกว่าโรคจะหายถ้ากินยาสองเม็ดแล้วหวังให้โรคมันหายมันไม่หายหรอก พุโทโธสองคำแล้วมันจะหายฟุ้งซ่านมันไม่หายถ้ามันยังไม่หายฟุ้งซ่านก็ต้องพุโทโธต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายมีคําถามเข้ามาจากคุณไผ่ทูลค่ะน้ำมศการเรียนถามพระอาจารย์ครับในบ้านจําเป็นต้องมีพระพุทธรูปไว้บูชาหรือไม่ครับก็แล้วแต่คุณนะคุณว่าจําเป็นไหมล่ะถ้าคุณจําเป็นงูก็ต้องมีถ้าคุณว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีอา้าวคุณมาถามว่าจําเป็นไหม ความจำเป็นมันอยู่ที่คุณเหมือนก็มียาใ น, ในบ้านจำเป็นจะต้องมียาไหมบางคนก็จำเป็นต้องมีถ้าเขามีโรคประจำตัวเขาก็ต้องมีบางคนก็ไม่มีโรคประจำตัวเขาก็ไม่ต้องมีก็ต้องตอบตามคำถามใช่ไหมเขาถามว่าจำเป็นไหมถ้าถามว่าควรมีไหมก็อาจจะตอบตอบอีกอย่างควรมี คนมีพระแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาบ้านมีไว้เพื่อรักษาใจก่อย่างนะให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราติดให้เรายึดมั่นในคุณงามความดีต่างๆมีเห็นพระพุทธรูปแล้วมันทาให้เราะจะได้ไม่ไปทำบาปทำชั่วอะไรต่างๆแต่ไม่ให้มีพระพุทธรูปเพื่อไว้เป็นยามเฝ้ารักษาบ้านกันขโมย <laughs> ม, ดดมีเข้ามาอีกห น, นึ่งคำถาม <ทำ S 1> ค่ะ<ม>าจากคุณสุบินกราบขออนุญาตถามมีวัดแถวบ้านจัดบวชเนียนเยอะตอนเช้าจัดตอนเช้าวัดจะพาบินทบาทได้ได้มากพอมีเจ้าภาพมาเลี้ยงอาหารหมดทั้งวัดที่บินทบาทมาเขาจะเ ท, เททิ้งหนูเสียดายแล้วจ่ายเงินซื้อของมาให้นักโทษในเรือนจำแบบนี้จะบาปไหมคะ หนูเสียใจแล้วจ่ายเงินอะไรเสียดายค่ะขอโทษค่ะเสียดายแล้วจะบาปตรงไหนอ่ะเสียดายเลยจ่ายเงินซื้อมาไปให้นักโทษในเรือนจำไปซื้องเงินที่อาหารที่เขาทิ้งหรอค่ะอาหาร<อ>ที่บินทบาทมาได้แล้วทิง้งอ่ะค่ะแล้ไปซื้อมานจะบาปตรงไหน อ, อ่ะก็เป็นการทําบุญอ่ะซื้อของไปแล้วก็ไปให้นักโทษกินก็เป็นการทําทานก็เป็นทําบุญมันจะไปบาปตรงไหนนี่เป็นชาวพุทธยังไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงตายแล้ว เนี่ยคนไม่เข้าวัดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปทำบุญยังทาบุญยังมาถามว่าเป็นบาปหรือปเปล่าอ้าวคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ห้องพระจำเป็นต้องมีพระพุทธรูป <laughs> ที่ผ่านการปลุกเสกหรือไม่ครับ <laughs> อันนี้ <laughs> ก็าถามอย่างนี้จะตอบยังไงกรลไต่คุณ <laughs> คุณว่าจำเป็นก็จำเป็นคุณว่าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นอ่ะเอาแล้วนะคิดว่าพอ <laughs> <laughs> พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ ทำไมชอบใช้คำว่าจำเป็นแล้วก็ถามปัญหาที่อะไรจำเป็นมั้ยจำเป็นไหมทำไมไม่ถามว่าควรไม่ควรออดีไม่ดีมันน่าจะถามดีกว่า